1.21 วิธีปฏิบัติมีแต่รู้ทุกข์น่าอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบธรรมะอย่างนี้มาได้เป็นเรื่องแปลกมากใครๆเขาก็กลัวทุกข์เกลียดทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์ท่านกลับสอนให้เราไปรู้ทุกข์ทุกอยู่ที่ไหนรู้ลงตรงนั้นเลยทุกอยู่ที่กายรู้ลงที่กายทุกอยู่ที่จิตรู้ลงที่จิตรู้ไปเรื่อยๆเพราะมันแจ่มแจ้งนะมันจะสลัดตัวเองออกไปจากกองทุกข์ขันส่วนขันขันนั่นแหละตัวทุกข์ ตัวกายตัวใจตัวรูปนามเมื่อจิตเขาพ้นจากขันก็พ้นจากทุกไม่ยากนะแต่ต้องอดทนไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกวิธีปฏิบัติมีแต่รู้ทุกยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกไปเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไป เห็นร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจะเหลียวซ้ายเหลียวขวาคูเหยียดกินดื่มทำพูดคิดก็รู้สึกไปว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตใจก็เห็นมันไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูลงไปอย่างนี้นะดูลงไปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง โลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูบ้างเฝ้าดูลงไปจนใจมันแจ้งมีแต่ทุกข์นะไม่เห็นมีอะไรเลยดูอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้ว